ธรรมชาดกแผ่นที่เจ็ดลำดับที่เก้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15หกันยายน2555รห้าห้ามีชื่อเรื่องว่าอีแรงกตันยูวันนี้เป็นวัน ปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นวันแรมสิบห้าค่ำเดือนเก้าเดือนเก้าดับตรงกับวันที่สิบห้ากันยายนพุทธศักราชสอง5ห้า้ยห้าสิบห้าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางท้องถิ่นของพวกเราเป็นวันบุญข้าวประดับดิน เป็นวันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนหรือว่าญาติชนิดมิตรสหายที่รักเคารพที่ล่วงลับดับขันไปตลอดถึงวิญญาณที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลรวมวิญญาณเลื่อนลอยฮะที่จะมารับส่วนบุญกุศลกุศลได้พวกเราก็ได้ทําบุญประจําปีในท้องถิ่นอีสาน หมู่บ้านที่มีพระสงฆ์ก็จะทำบุญข้าวประดับดินแต่ก็อุทิศส่วนกุศลต่อดวงวิญญาณผู้ที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้เนื่องเรื่องพระคุณที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้านี่เราว่าปุพหะการีบุคคลผู้มีอุปกรกรในทางพระพุทธศาสนาแล้วท่านไม่ได้ถือว่าเป็นของเล็กน้อยเป็นของที่ใหญ่ เป็นชีวิตเรื่องการเป็นอยู่ของพวกเราในหลักของพระพุทธศาสนาท่านมาให้มองข้ามภักุณถ้าเราไม่มีพ่อแม่เราจะมีวันนี้ได้อย่างไรถ้าว่าเราไม่มีพ่อแม่เป็นเครื่องเครือกูลอุดหนุนไม่มีพ่อแม่เป็นเครื่องดูแลเลี้ยงดูเรามาเราจะมีวันนี้ไหมพระพุทธเจ้าท่าน เน้นหนักเรื่องพระคุณท่านปาลารบในครั้งพุทธกาลท่านยังปาลารบพิสุในวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารที่ท่านดูแลแม่ของท่านที่ทุกตกทุกกะยากแต่พระพุทธองค์ก็ได้ยกตัวอย่างพระองค์เหมือนกันว่าว่าเราตถาคตาเราเกิดมาพบใดชาติใดเราไม่เคยทอดทิ้งพ่อแม่ พระสงฆ์ทางหลายก็ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าะสมัยไหนพระเจ้าข่าที่พระองค์เกิดมาแล้วไม่ได้ทอดทิ้งพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นชาดกขึ้นมาว่าสมัยหนึ่งเราเกิดเป็นแรงอยู่เขาคิดจกูดอยู่ในภูเขาต่อมาพ่อแม่ก็เลี้ยงท่านท่านก็อยุ่ในตระกูลของอีแง้ง ตอมาพ่อแม่เขาแก่เท่าชลาเหมือนกับคนอ่ะสับปะสัตว์ทั้งหลายต้องมีแก่เจ็บตายในที่สุดอีแรงถึงจะเป็นอีแรงมันก็เท่าแก่ชลาเหมือนกันแต่นั้นมันก็หมดแรงตาบอดทั้งคู่ก็อยู่ในถ้าจากนั้นลูกชายที่อยู่กับพ่อแม่มันก็ไปขาบอาหารมาจากที่ไปกินแล้วก็ข้าบมาเลี้ยงพ่อแม่ แม่แรงพ่อแรงมันก็ได้กินอาหารจากลูกชายเป็นประจำเพรพ่อแม่ตาบอดบินไม่ได้แล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งแรงตัวนั้นไปหาขาบอาหารอยู่ในละแวกป่าชา้าคือสมัยนั้นประเทศอินเดี ย, ยคนแก่โบราณเขาน่ะถ้าคนตายแล้วก็กไปทิ้งซากศพไว้ในป่าช้า เขาไม่ได้เผาไม่ได้ฝังอย่ยงทุกวันนี้เขายังมีอยู่อย่างประเทศที่เบตเวลาคนตายไปแล้วเขาไปยำแข่งยำขายำมนุษย์จากนั้นก็โยนให้อีแกลงกินดังเขาแปลกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฟังฟังเขาพูดในตำราเขาบอกว่าถ้าคนใด กินเหล้าเมายาไม่มีศีลไม่มีธรรมเฮ้เขาคุกมันสมองแล้วก็ให้หัวหน้าแร้งกินเหัวหน้าอีแร้งไม่กินเลยเขาว่างั้นนะอขนาดคนโบราณเขายังพูดว่าแร้งไม่กินคนชั่วเนี่ยแร้งไม่กินมันอาจจะมีตำรามาจากที่นู้นแหละเด่๋ยนี้เขาก็ยังพูดอยู่อันนีค้คือเขาเลี้ยงพวกอีแล้ง ต่นี้แรงตัวนั้นก็คงจะลักษณะอย่างนั้นน่ะก็คงจะคาบอาหารไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของมันแต่วันหนึ่งพวกที่เบียดเบียนพวกสัตว์ก็มีอยู่พวกเบียดเบียนพวกแรงพวกก้าพวกจิงจอกม้าในอะไรมันก็มีอยู่เขาก็ดักดักตาคายดักแล้วที่จะดักเอานกดักอีแรง ดักอะไรก็ไม่ไม่ว่าล่ะตัวนั้นถูกเขาขวัดจับเอาตัวนั้นแหละแต่ในแรงตอนนั้นก็มากินมาคาบเอาเหยื่อแล้วมาติดบว่วงนายพานพอติดบว่วงนายพานนายพานเขาไปเห็นไปเห็นอ่ะอีแรงมันคล้ายๆมันแรงโพี่สัตว์คงจะมีบุญบารมีมาเก่าแก่แล้วเนี่ยมันก็พูดเป็นภาษาคนขึ้นมาโอ้ข้าไปเจ้า ติดวงนายพานแล้วข้าพเจ้าคงจะไปไม่รอดแล้วแต่ข้าพเจ้าเป็นห่วงที่สุดก็คือข้าพเจ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่เป็นอีแลอยู่ในถ้าตีข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ในอ้อาหารไปเลี้ยงอยู่แต่ถ้าว่าข้าพเจ้าติดวงแล้วอยู่ในอํานาจของนายพานแล้ว ข้าพระเจ้าคงไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาอาหารไปให้พ่อแม่พ่อแม่คงจะไม่ได้กินอาหารคงจะล้มตายด้วยความทุกทรมานด้วยความหิวโหยเพราะว่าข้าเนี่ยหมดอำนาจแล้วอยู่ในอำนาจของนายพรานที่จะทำให้กับข้าพระเจ้าอย่างไรข้าพระเจ้าเขาจะต้องไปตามนั้นถึงเขาชีวิตของข้าพระเจ้าแล้วข่าวนี้ นายพานได้ยินหรืออา้าแล้งตัว น, นี้ทําไมพูดเป็นภาษาคนได้นายพานก็เลยเข้าไปหาทําไมแล้งเธอลํำพึงลําพันอะไรแล้งตัว น, นั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าได้เลี้ยงดูแม่พ่อที่ตาบอดอยู่ในถ้าแต่ข้าพเจ้ามาก็มาตุกบ่วงของท่านใช้แล้วคราวนี้นายพานก็ถามว่าเอา้าวตกอีแล้งเนี่ย เห็นซากศพเป็นร้อยยังเป็นร้อยกิโลในห่างไกลถึงร้อยกิโลยังเห็นซากศพแต่ทําไมเธอท่านไม่เห็นเหลือตาขายบ่วงทําไมมาติดบ่วงทําไมท่านไม่เห็นแล้วว่าบ่วงมีแต่เขาว่าตาอิ๋นแงเนี่ยตาดีมากมองเห็นบ่วงแต่ไกลได้อิแล้รงตอนนั้นตอบขึ้นมาว่า ถ้าหาวาความพินาษแต่ความพิราษและกรรมมาถึงตัวเองแล้วถึงจะอยู่ใกล้ๆก็มองไม่เห็นเพราะว่ากรรมอะ่ะกรรมคือการกระทําระอว่าเป็นเรื่องของที่จะต้องได้ใช้กรรมแล้วมันจะมองไม่เห็นขนาดูุดจุดใกล้ๆก็มองไม่เห็นนายพานปบอืกถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าท่านเราจะปล่อยท่านไป จากนั้นนายพานก็ได้ปล่อยปะ อ, อ, อีแรงอีแรงก็ให้ศีลให้พรบอกว่าข้าพเจ้าได้รับความสุขในการไปพบญาติไปพบพ่อแม่ไปพบญาติอย่างไรขอให้พาน อ, อ, อยู่ในครอบครัวขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าได้พบกับพ่อแม่ของข้าพเจ้าทุกประการนี่แหละ อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราถึงจะเป็นสัตว์ที่ฉ า, านท่านก็ไม่ละเว้นไม่ลืมพระคุณของพ่อแม่ที่ท่านพูดในชาดกในพระไตรปิฎกในเรื่องนี้และก็พร้อมการท่านก็พูดว่ากรรมคนเราในถ้าว่าถึงคราววิบัติมาแล้วมันมองไม่เห็นถึงจะมีความรู้ความฉลาดสามารถปาดเปลืองขนาดไหน จะเอาตัวรอดได้ขนาดไหนแต่พอกรรมตัวนี้มาถึงมันปิดบังมันก็มืดมน์อนทการมันจะต้องได้ใช้ผลแห่งกรรมที่ตนเองได้กระทำเอาไว้มันมันเป็นเครื่องมืดมิดปิดตานี่แหละชาดกในเรื่องนี้ท่านก็อนสอนเว้นเสียแว่าเราได้ทำคุณงามความดีเอาไว้อย่างอีแรงอีแรงได้ทำคุณงามความดีได้เลี้ยงมารดาของ ของตัวเองเพราะนั้นท่านอีแรงตอนนี้หลอดพน้นจากบ่วงของนายพรานได้เพราะว่าด้วยบุญบารมีรุ่นบุญกุศลได้สั่งสมคุณงามความดีได้เลี้ยงมารดาบิดานายพรานก็เห็นว่าแปลงตัว น, นี้มีคุ ณ, ณธรรมและก็พร้อมกันก็คงจะเป็นมิตรเป็นสหายกันเป็นพวกพ้องบริวารกัน แต่หากว่านายพรานเป็นพระเทวทัตเนี่ยแล้งตัว น, นั้นก็คงจะไม่รอดเหมือนกันนะอันนี้ท่านบอกว่าในสมัยนั้นท่านสรุปชาดกว่าพ่อแม่ของท่านพ่อแม่ของอีแล้งได้มาเกิดเป็นพระเจ้าทุศโถนะนางสิตริมหามายาตัวพญาตัวแรงตัวนั้นคือเราตถาคตแต่นายพรานเป็นพระอานนท์ท่านบอกสรุปสรุปการชาติเกิดของท่าน นี่แหละทางว่าพระอ น, นุนหรือว่านายพรานเนี่ยเป็นพระเทวทัตนี่แรงตอนนั้นก็คงจะไม่รอดเหมือนกันเพราเป็นคู่คู่อริคู่จัตูกันแต่นี่เป็นพระอ น, นุนคือคนกลุ่มเดียวกันเห็นกันถึงจะยังไงยังไงคนละชาติคนละชาติคนละภพคนละชาติเห็นกันก็มีเมตตาต่อกันเพราะเหตุไรเพราะมันใจใจมันถึงใจ พอเหตุไรเพราะว่ามันมองเห็นแล้วมันเกิดความเมตตามันเกิดความสงสารอย่างลึกๆในใจไปใจถึงใจแต่ถ้าว่าคนที่เป็ที่เป็นอริเป็นศัตรูกันพอเห็นกวนกันแล้วมีแต่จะหักล้างหักผานกันมีแต่จะห้ำหั่นกันมีแต่จะเบียดเบียนซึ่งกันละกันอันนั้นคือคนที่เป็นอริเป็นศัตรูกันเพราะนั้น สิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายถึงจะเกิดขึ้นในใจของเราที่เรามองเห็นว่าเป็นอริเป็นศัตรูก็ตามเราก็ต้องพยายามข่มใจของเราเอาไว้ข่มใจหรือให้มีเมตตาในใจเอาไว้อย่าไปมองเขาในแง่ร้ายเขาไม่ได้มองเขาไม่ได้ว่าอะไรให้เราเขาไม่ได้คิดอะไรให้เราเราเขาไม่ได้พูดอะไรให้เราแต่เราไปเห็นเขาแล้วแต่มันขวางหูขวางตา อย่างนี้มันไม่เป็นผลดีในภพชาติต่อไปถ้าเราทำอย่างนี้ถ้าเราไม่มีเมตตาเราไปหักข้ามตนเองตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้ที่เราได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าได้พบธรรมคาสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราจะเป็นอริเป็นศัตรูต่อสิ่งรอบด้านมากมายพอเห็นใครก็บว่างหูว้างตาไม่พอใจกนะันแหนะพูดทากทางเขา ค่าวข่าใจของเราเป็นอคุศลเกิดพบหน้าชาติหน้าอริจตโตของเราก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยเรื่เราเกิดนานเท่าไหร่อริจะโตของเราก็ยิ่งมากเพราะเหตุลไยเพราะเรามีตะผูกพยาบาทอาฆาตในจิตในใจอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราไปอยู่นสถานที่ใดถึงใจมันจะคิดไม่สบายใจเรื่องวอาโกรธโมโหโกธาให้แก่ใครก็ตามอันนี้เราต้องดูใจของเราเอง ใจของเราเนี่ยมันมีอะไรจยู่ลึกๆหรือเปล่าเนี่ยทาไมใจของเราจึงคิดอาคาดพยาบาทจองเวียนคนอื่นเขาทั้งที่เขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้ทาอะไรกับเราเอออันนี้แหละใจของเราเนี่ยเป็นเ็นผู้จองกรรมจองเวียนได้เปล่าต้องถามตนเองจากนั้นเออเ อ, เอาเอาเถอะข้ารู้แล้วว่าสิ่งที่คิดไปนเนี่ยเป็นอกุศลไปในทางที่ไม่ถูกต้องไ ป, ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง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 ถ้าเรามีเมตตาอยู่ในจิตใจอย่างนี้แปลว่าเราเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีน้ำใจเวรภัยจะไม่เกิดขึ้นกับสำหรับเราถ้าใครจะจองร่างจองผานกับเราใครวกก่อเวรไม่ค่อยติดเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ก่อเวรเขามีแต่เขาก่อเวรเราแต่เราก่อเวรเขาด้วยเขากอเวรกับเราด้วย เราก็เม่งใส่เขาเขากับตากเหม่งกับเราผลไดสูตกับพูดออกมาหมู่มาผลได้กับ พ, พูดออกมาด่าอีกผลได้สูตรพอด่าเสร็จแรกออก็ออกมัดออกมวยไดเลยไงออกแล้วยังไม่ได้ยังชวนพี่ชวนน้องชวนพักชวนพวกให้เกรดให้ชังกันอีกนผลได้สูตก็เลยเกิดมาหมู่ญาติต่อมาชักชวนประเทศชาติลบลาข่าฟันกันอีกนะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกิเลสนะกิเลสความโกรธ หก็ดีสองก็ดีสาก็าดีมีอยู่แล้วความโกรธอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรละถอนมันเสียตั้งแต่เริ่มต้นนี่แหละรพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราให้ดูความโกรธความโลภความหลงก็เหมือนกันราคะโทสะโมหะก็เหมือนกันหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้ว ที่ยังไม่เกิดก็จะจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ความเจริญมากขึ้นบุญกุศลเหมือนกันบุญกุศลหนึ่งก็ดี2อก็ดี3าก็ดีมีอยู่แล้วบุญกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรเจริญให้มากในการบำเพ็ญนี่อันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวด้วยหลักเหตุผลพวกเราพิจารณาดูสิว่า พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้ถูกต้องไหมที่พวกเราพิจนารณาการกลองไตฟองด้วยปัญญาของพวกเราพวกเราก็มั่นใจว่าใช่พระพุทธเจ้าพูดถูกเพราะนั้นพวกเราปฏิบัติตามนั้นและถ้าทางปฏิบัติทางด้านจิตใจเรื่องจิตใจเรื่องจิตภาวนาเราจะดําเนินการอย่างไรจะปฏิบัติตนอย่างไรเหมือนกับ มีคนคนหนึ่งไปขุดทองอ่อไปขุดทองเขาก็ได้ทองมาเป็นกอบเป็นกำเขาก็อวดเขาก็บอกว่านี่นะการขุดทองเนี่ยการถุดตรงนี้เอ่อเป็นทองจริงๆได้ทองมาเห็นไหมผมร่ารวยมาเอ่ที่มีเงินทรัพย์สมบัติขึ้นมาในเพราะผมขุดทองเอเ่อหรือว่าผมาทํางานอย่างนี้ผมได้เงินเดี๋วผมปลูกยางอย่างนี้ผมรวยอย่างนี้ ผมได้เงินมามากแตเพราะผมทํางานอันนี้ผมได้ขุดทองอย่างนี้ผมจะได้เป็นเศรษฐีอันนี้เราเมื่อเขาเมื่อเขาบอกอย่างนั้นแล้วนะเเอราจะไปหาเก็บไปไม้มาขายเหร อ, อะเราจะไปเก็บใบไม้มาขายกิบกิ่งไม้มาขายเก็บก้อนหินที่ไหนก็มาโลกกอกแกกเอามาขายเออ ทั้งที่เขาบอกว่าขุดตรงนี้มันมีทองอยู่ตรงนี้ขุดเอาทองจินี้จะได้ทองตงัวนี้จะเป็นสมบัติของพวกเราตามไม่จริงเราควรจะเชื่อเชื่อท่านผู้ผู้ที่ควรเชื่อถือว่าการขุดทองจุดนั้นมีประโยชน์แล้วก็ได้เงินได้ทองมาจริงๆจากนั้นก็ได้นาทองเอามาเป็นสมบัติของเราจนท่านได้เป็นเศรษฐี เราไม่จะไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ติดตามไม่ปฏิบัติตามในคำแนะนําของท่านเหรอไอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาจะต้องค้นคว้าจะต้องปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าท่านสอนอย่างนี้เราก็ดันทุลังไปยังหนึ่งแต่ท่านบอกขุดทองนะตรงนี้นะขุดดินตรงนี้นะเม็ดทองมันอยู่ตรงนี้ล่อนอย่างนี้เก็บเอาอย่างนี้เตานุ่นไปหาเก็บใบไม้ไอ้ไปเก็บก้อนขวดก้อนหินที่ไหนก็ไม่รู้ อันนี้ก็เป็นเงินมั่นกรัรนั่นแหละเอาไปขายแต่ขายมันได้น้อยสิมันไม่เหมือนขุดทองคําขึ้นมานี้ก็เหมือนกันถ้าจะเปรียบเทียบกันเ่ยกรรมฐานทุกวันนี้ก็คือสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นพาดําเนินหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงตามหาบัวเอหลวงปู่เขาวหลว ง, งปู่ฟันหลวงปู่ล่า หลวงปู่ต่างๆที่ท่านล่วงรับดับขันไปพอเมื่อท่านล่วงรับดับขันไปกระดูกของท่านก็เด็ด ก, กลายเป็นพระธาตุเป็นเ ม, รรม็ดกลมให้พวกเราได้เห็นได้ศึกษาได้กราบาาได้วาดได้เคารพสักการะบูชาใครใครก็พูดในตํำรับตําราท่านหลวู่ร่ะเอออันนี้คือกระดูกของพระอรหันติของพระอรหรันต์กระดูกของพระอรหันต์ที่กลายเป็นพระธาตุที่เม็ดกลมอย่างนี้ อันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราจากนั้นพวกเราก็ศึกษารด้วยซิว่าท่านพาปฏิบัติอย่างไงท่านพาดําเนินอย่างไรกับเหมือนกับท่านพากุศทองอย่างไรลักษณะอย่างนั้นเราต้องศึกษาไม่ใช่ว่าเราจะไปฟังที่อื่นแล้วก็ปฏิบัติที่อื่นไปมันเสียเวลามันเสียเวลาพวกเราท่านทาั้งหลายอย่าไปคิดอย่างนั้นต้องเดินตามแนวแถวที่ท่านแนะนําสั่งสอนหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไร ท่านก็ให้ภาวนาพุทโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพ้องกับลมหายใจเข้าอ่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลาเดินขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาอยู่ตามละพังให้มีสติสัมปชัญญะว่าเราอยู่ในสถานะไหนเดี๋ยวนี้เราอยู่อย่างไรให้มีสติอยู่กับตัวเอง ในเมื่อเราภาวนาเราก็พิจารณาให้จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบไม่ต้องคิดปูงฟุ้งไปทางอื่นอันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นท่านสอนสิทธิอนุสิทธตของท่านจากนั้นหลวงตามหาปูวท่านก็เขียนเป็นตำรับตํารอมาออกมาว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรหลวงปูล่ลาก็เหมือนกันหลวงปู่ต่างๆที่เป็นชีวประวัติของแต่ละองค์ท่านก็ได้นำทำคําสอนของหลวงปู่มั่นที่สอนท่านให้ท่านเข้าใจ วิธีการปฏิบัติท่านก็นเนนหนักกว่าพุทโธนะเอออันนี้คือทางเลือกหนึ่งอ่าคือทางเลือกหนึ่งโดยมากท่านเลือกมาแล้วครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเลือกมาแล้วท่านว่าให้ภาวนาพุทโธการภาวนาพุทโธกําหนดลมหายใจอานาปานาสติกําหนดลมหายใจเข้าออกนี้เกือบถูกกับทุกจริตนะท่านพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรา อย่าไปสงสัยอย่าไปคว้าหน้าคว้าหลังอย่าไปทำอย่างอื่นที่นั่นขอให้จริงให้จังอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวพวกเราจะต้องเห็นจริงเห็นจังตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนเพราะนั้นเมื่อเราทำจิตใจของเราภาวนาของเราอย่างองหลวงต า, าผมหลงุงหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังแต่ก่อนหน้านั้นท่านยังไม่ได้พบหลวงปู่มั่น ท่านก็กำหนดเพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบำเพ็ญอยู่ในโคลนต้นโพพ ร, ระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บริกรรมพุทโธด้วยนะพระพุทธเจ้าสิธทธัตถะนะยังเป็นยังท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันเดือนหกเพลทัดกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเมื่อท่านนั่งขัดสมาธิแล้วนะ นั่งกัดสมาที่เหมือนพระประธานเนี่ยเวลานั่งภาวนาพระประธานนั่งอยู่ตรงหน้าของพวกเราเนี่ยขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจ้าสะกพอนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพภคคุณของบิดามารดาพรคคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ภคคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ที่ท่านได้บอกกล่าวแนะนำพวกเราเราต้องรำลึกถึงพระคุณของท่าน ไหว้พระคุณของท่านไหว้ครูไหว้ครูก็คือไหว้พระพุทธเจ้าพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สามจบจากนั้นก็เอามือลงจากนั้นก็แผ่เมตตาจนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขคือทำให้ให้จิตใจของเราอ่อนน้อมไปให้มีความพยาบาัดอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมด เขาต้องการความสุขเราต้องการความสุขอย่างที่เขาต้องการอย่างที่เราต้องการอันนี้เลยคือการภาวนาแผ่เมตตาจากนั้นกับวิกรรมหายใจเข้าพทุทธหายใจออกโผนอย่างหวงตาท่านบอกว่าตะกน่ท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยมันหลุดได้ง่ายจิตใจมันเผลอได้ง่ายแห่มันไม่อยู่กับตัวมันลดออกเร็วจากนั้นท่านริกรรมหายใจเข้าพทุทหายใจออกโผมีพุทธ โถ่ด้วยแต่มันมีสองทั้งลมหายใจด้วยทั้งพุทธโถด้วยใจของท่านรวมสงบได้น่ะเมื่อใจสงบรวมสงบแล้วก็ใจของท่านมีหลักมีกฎมีเกณฑ์เนีมีความรู้สึกในใจว่าไม่เสื่อมใจของเราไม่หลุดอีกแล้วอยู่ได้ทีนี้เพราะบังคับให้อยู่กับกรรมฐานพุทธนะนี่แหละอันนี้แหละคือกรรมฐานเบื้องต้นขององค์หลวงตาท่านกับพูดใน ตำรับตำราหรือพูดในแนวปฏิบัติขององค์ท่านจากนั้นท่านก็เมื่อจิตใจสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วท่านก็ไปกราบหลวงปู่มัน่นจัดใจของท่านสงบแน่นปึงเลยเดี๋ยวเนี้อนั่งทั้งคืนก็ได้ไม่ไปไม่ปรุงไปพุป่งไปที่อื่นหลวงปู่มั่นกันแน่น่ะวาต้องนํามาพิจารณานะให้มันออกพิจารณาแต่หลวงตาท่านบอกว่า มันกำหนดไม่ออกมันอยู่แล้วมันอยากจะอยู่ที่เก่ามันไม่ออกขอวงปู่มันบังคับบังคับไม่ออกอยู่ทาไมไม่ใช่นั่งสงบอยู่อย่างเดียวไม่ได้มันไม่เกิดประโยชน์สมาธิในความสุขในสมาธิที่เหมือนกับเนื้อติดฟันท่านเองมันไม่เป็นเนื้อเป็นหนังอะไรเหมือนเนื้อติดฟันท่านเองความสุขในสมาธิอย่าไปติดบังคับให้ออกบังคับให้มันคิด อคือให้บังคับให้อยู่ในกรรมฐานห้าเกสาโลมานขาทันตาตะจูให้ออกมาพิจารณากรรมฐานห้าจากนั้นก็หลวงตากับหลวงปู่มั่นดุท่านก็มานำมาพิจารณากรรมฐานพอพิจารณากรรมฐานอะไเนี่ยมันปองฟุ้งคิดอยู่ทั้ ง, งคืนทั้งวันตอนไม่หลับเียเพราะมันปองอยู่ในกรรมฐานอามันไม่ได้เข้าสู่ความสงบมันคิดปองอยู่ตลอด เห็นงานเลยสิเออเหมือนกับเราทำงานทำงานมันได้เงินเลยเอพอทำงานขึ้นมามันเห็นผลงานออกมาเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเหมือนโอ้เราเป็นนอนอยู่ในนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่บัด น, นี้เราทำงานงานมันออกมาแล้วคราวเนี่ยเออมันเป็นผลงานออกมาเออเห็นความสัตย์ความจริงขึ้นมาในใจของเราตะก่อนเราไม่เห็นอย่างนี้แต่บัด น, นี้เราเห็นผลีนจุดนอนไม่หลับ เนี่ยมันปุงเข้ามานอนไม่หลับมันจะเป็นบ้าเอาที่นี่มันคิดปุงฟุ้งตลอดเนีเข้าไปกราบท่านอีกบอกว่าผมมันออกมาแล้วนะจนนอนไม่หลับมันปุงฟุ้งไปตลอดเนี่ยหลวงปู่มั่นเท่านั้นแหละมันหลงสังขารมันบ้าสังขารเดี๋ยวมันจะเป็นบ้านน่น่ะต้องบังคับให้มันอยู่สงบสิเลยนี่แหละอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะเป็นผู้แนะแนวแนะนําให้ ถ้ามันออกไปข้างนอกตะเลิดเปิดเปิงจนไม่มีที่หยุดที่ยับยัง้งเนีมันหลับไม่ได้นอนไม่ได้มันปงฟุ้งอยู่ตลอดเพรก็เป็นบ้าได้ไง่ายๆเป็นบ้านสังขารอันไหนก็ถูกอันนั้นก็ถูกอันนี้ก็ถูกเพราะสุด ม, ม, มีเวลานอนมันมีเวลาพักผ่อนท่านก็ บ, บังคับให้เข้าสมาธิกำหนดให้เข้าสมาธิบริกรรมพุโทโธอีกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธบังคับอีกเพราะสุดบังคับ จ, จิตใจรวมสงบนิ่ง เคยให้ใจพักผ่อน erosion. ในเมื่อใจพักผ่อนพอเป็นแนวทางเป็นกําลังแล้วนํามาพิจารณาทำมาพิจารณาเสร็จแล้วก็นามาพักผ่อนพักผ่อนฉจแล้วก็นําไป พ, พีจารณาพิจารณาเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเลยมีแต่าทางานทั้งวีทั้งวันดูสิมันจะไหวไหมไม่ไหวเหมือนกั น, นะต้องมาพักผ่อนนอนทานอาหารเสร็จแล้วก็พักผ่อนพอพักผ่อนเสร็จแล้วก็ไปทํางานอีกพอไปํางาน อ่ได้ผลงานออกมามีอะไรที่เราไปทำํำพอไปทําเสร็จแล้วมันเหนื่อยแล้วใจมันล้าแล้วเีนี้จะให้ทําไปตลอดไม่ได้เออมันจะเบอร์กลับมาพักก่อนอีกทานอาหารเสร็จแล้วนอนอีกนอนแล้วกลับไปพิจารณาอีกนี่แหละให้ทําต่างกลัมต่างวาระในการปฏิบัติธรรมให้รู้จักวิธีการพักและวก็วิธีการเดินเดินเดินวิปัสนาสมร tha คือทำจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่งอันนี้เรียกว่าสมถาทัติปัสนาคือทำให้คิดตามเหตุและผลกันกรองด้วยเหตุและผลนี่แหละวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องดนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นแนวแถวของสายลงปู่มันเป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดัานได้มักได้ผลมาแล้ว กานบอกว่านี่แหละโขนทางที่ได้มักได้ผลนี่แหละโขนทางขุดทองที่จะได้เป็นเศรษฐีจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่ากนั้นเมื่อท่านล่วงรับดับขันไปแต่และองค์เห็นไหมกระดูของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุเป็นพระหรหัสอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเราสงสัยที่ตรงไหนว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้น เป็นอะไรเราควรจะตายใจได้เราควรจะสนิทไว้เนื้อเชื่อใจได้ว่าทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนที่บอกกล่าวเอาไว้ในตำรับตาลาหรือว่าชีวประวัติของท่านนั้นท่านพูดเป็นแนวทางเอาไว้แล้วพวกเราท่านทั้งหลายควรจะเดินตามเราไม่ควรจะคว้าหน่ากว่าลังองนั้นพูดอย่างนี้องนี้พูดอย่างนั้น ตำรานั้นพูดอย่างนั้นตำราที่พูดอย่างนี้เพ่งอย่างนั้นเออเพ่งกระสินอย่างโน้นเพ่งกระสินอย่างนั้นชานชาญอย่างนี้พลังยุงน่นพลังอย่างนี้มันมีแต่ อ, ออกทางนอกทั้งนั้นมันไป่ได้เข้ามาสู่จุดหมายปลายทางทําไหมเรามาศึกษารสายในหลวงปู่มัน่นเรายังไม่ไว้ใจหลวงปู่มั่นใช่ไหมเรายังไม่เชื่อในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นใช่ไหม เรายังไม่เชื่อว่าแนวแถวหลวงปู่มั่นแนะนำสั่งสอนอยังไม่ถูกใช่ไหมของเราที่จะทำดนเหนือกว่าอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ถ้าผู้มีปัญญาเป็นผู้นักคิดนักคน้นนักวิเครานะห์นะจะรู้จะนอนใจจะตายใจชนิดสนมหรือว่าไว้ใจในทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่พูดทางนี้ท้งนั้น หลวงพ่อเองในหลวงพ่อหลวงพ่อมั่นใจเกินร้อยโรงั้นมีกี่เปอร์เซ็นไม่ว่าต่ร้อย 0,000 แสนนั้นหลวงพ่อไว้ใจทั้งหมดมั่นใจทั้งหมดในทำคําสั่งสอนของหลวงปู่มันในทำคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนวแถวสายหลวงปู่มันที่ท่านแนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นขอยพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะฟังแล้วก็นําไปคิดกันคลองใต่ตวงด้วยเหตุผลเอาการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสุ่มควรกับการเวลาก้อยุติ